เมื่อวาดวงกลมแล้วให้แต้มจุดเล็กๆไปที่ศูนย์กลางด้วยสำหรับผู้ที่ใช้วงเวียนวาดจะเห็นจุดศูนย์กลางนั้นอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่ใช้กลแก้ววาดอาจจะต้องแต้มจุดเองโดยประมาณเอาให้พอดีศูนย์กลางวงกลมนั้นข้อสองกำหนดระยะสายตาควรนำกระดาษที่วางวงกลมนั้นไว้แล้ว มาแปะบนผนังหรือระนาบที่ตั้งฉากกับพื้นระยะห่างจากสายตาไม่เกินหนึ่งเมตรและไม่น้อยกว่าครึ่งเมตรสำหรับระยะทางห่างสายตานี้จะมีผลพอสมควรเพราะเมื่อพยายามนึกในขณะหลับตาแล้วโฟกัสตั้งต้นช่วยให้การออกตัวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วสา ลืมตามองวงกลมขาวเมื่อติดตั้งกระดาษเรียบร้อยมานั่งเข้าที่ทอดตามองดูศูนย์กลางวงกลมอย่างเดียวมองอย่างที่เห็นทั่วพร้อมตลอดทั้งวงกลมนั้นสังเกตว่าจิตเราตั้งอยู่กับความขาวในขอบเขตวงกลมนั้นหรือไม่หรือว่ามีความคิดมีเสียงรบกวนที่ทําให้จิตเรา แปลความสนใจไปให้ใช้เวลาสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวเองกับวงกลมขาวจนกว่าจะรู้สึกถึงความตั้งมั่นแนบสนิทแต่หากไม่ตั้งมั่นสักทีอย่างน้อยก็ดูว่าความคิดเป็นเพียงคลื่นความกระเพื่อมรบกวนจิตจิตไม่วิ่งตามความคิด ทำให้ได้เช่นนั้นจึงค่อยเข้าสู่ขั้นต่อไปปิดตานึกถึงวงกลมขาวการปิดตาลงในขณะที่สำคัญมากสำหรับผู้เริ่มต้นขอให้แน่ใจว่าสายตายังทอดอยู่ในระยะโฟกัสศูนย์กลางวงกลมดังเดิมไม่หลุกหลิกไม่คลาดเคลื่อนไปซ้ายขวาโดยเฉพาะไม่หล่นโฟกัสเข้ามา หรือยืดโฟกัสออกไปหาตาปิดสนิทมีความผ่อนกายสบายใจทั่วและรู้สึกเด่นชัดอยู่เพียงลักษณะทอดมองวงกลมขาวราวกับลืมตาเหมือนเดิมก็จะปรากฏภาพติดตาขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหายไปอาจจะหายเองหรืออาจจะเพราะตาเราเคลื่อน เราคิดให้ลืมตาขึ้นใหม่และปฏิบัติตามข้อสามอีกครั้งจนกว่าจะหลับตาลงแล้วมีอาการเห็นสบายสบายหากตานิ่งจิตไม่คิดแต่วงกลมเหมือนเคลื่อนที่คล้อยลงต่ำบ้าง เลื่อนขึ้นสูงบ้างให้วางอุเบกขาสำรวจเข้ามาที่จิตจะพบว่าจิตนั้นแม้ไม่คิดก็เคลื่อนได้เหมือนกันคอยลืมตาขึ้นจับมองดูศูนย์กลางวงกลมในกระดาษไหมและสังเกตว่าขณะแห่งความรู้สึกจับนิ่งในวงกลมตรงหน้าสำเร็จนั้นอาการของจิตเป็นอย่างไร ก็ให้จำอาการดังกล่าวของจิตไว้ด้วยยิ่งสังเกตบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งจำได้และเอาไว้ใช้ล็อกสภาพเช่นนั้นขณะหลับตาง่ายขึ้นเรื่อยๆขอให้สังเกตด้วยว่าวงกลมขาวมักไม่ขาวบริสุทธิ์เหมือนรูปวงกลมที่เห็นในกระดาษบางครั้ง เหมือนจะขาวแต่ชนใหญ่เหมือนมีฝุ่นมีเงามาเครือบบังตรงนี้ให้บอกตัวเองว่ามีมิตวงกลมนี้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยจิตไม่ใช่วัตถุใดๆฉะนั้นเมื่อจะขาวบริสุทธิ์ก็ด้วยจิตเมื่อจะหมุนมัวก็ด้วยจิตเช่นกันทั้งขาวและทั้งหมุนจึงเป็นเพียงส่วนสะท้อนว่าจิตอยู่ในภาวะเช่นใดตั้งมั่น กลอนแพลนสะอาดใสหรือคุณหมัวเมื่อสังเกตเช่นนั้นก็ทั้งเกิดความตระหนักแจ่มแจ้งจิตจะอยู่ในอาการรู้ทางว่าจะทรงตัวอย่างไรลักษณะนินดถึงจะขาวสะอาดกลมสนิทและตั้งมั่นได้นานขึ้นเรื่อยๆ ข้อหาแผ่จิตออกตามทิศ ต, ต่างๆเมื่อถึงขั้นที่วงกลมมีความขาวชัดเป็นเส้นรอบวงนิ่งสนิทกระทั่งเกิดปิติสุขสงบเย็นได้นานๆโดยไม่มีอาการเคลื่อนจากความเป็นเช่นนั้นให้สลายวงกลมจอจิตรู้ว่าเหลือแต่ความขาวกำหนดเห็นความตั้งมั่นของจิตแล้วเหมือนยิงความขาวออกจากฐานความตั้งมั่นนั้นเป็นลำพุ่งไปข้างหน้า ข้างขวาข้างซ้ายข้างหลังข้างบนข้างล่างได้ทีละทิศตามลำดับไล่จากใกล้ในระยะสาเมตรไปจนกระทั่งกว้างไกลเหมือนความขาวแผ่ออกไปไม่สิ้นสุดทั่วทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเมื่อกําหนดความขาวไปทางทิศต่างๆกระทั่งถึงความไม่มีประมาณพอจิตกลับโรนิมิตขาวอันภายใน คุณภาพระดับนั้นจะให้ลักษณะขาวกลมเกลี้ยงอันเดิมเปลี่ยนเป็นขาวแบบประกายพลึกทอแสงรุ่งโรจน์อยู่ท่ามกลางของจิตอันเปิดกว้างเหมือนอยู่ในบ้านที่เปิดหน้าต่างออกทุกทางและสาแสงแรงไปทั่ว ถ้ากำหนดรู้กระดูถ้าทำผ่านขั้นก่อนมาได้จิตจะเหมือนแยกออกเป็นสองมิติมิติขั้นหนึ่งรับรู้โลกตามปกติอีกชั้นหนึ่งอีกมิติหนึ่งเมื่อกำหนดนิดเดียวจะเห็นเป็นความขาวโพลนตลอดทั่วในภายในซึ่งตรงนั้นเองจิตจะพร้อมยิงในการรู้กระดู โดยความเป็นวัตถุสีขาวให้เลือกชั้นนิมิตที่จิตรู้สีขาวคบฟันเพื่อกำหนดรู้ลักษณะแข็งภายในกายทำจิตให้เห็นความแข็งกับสีขาวไม่แบ่งแยกเป็นสภาวะแตกต่างแล้วทำความรู้อิริยาบถปัจจุบันจะกลับตาหรือลืมตาก็ตาม จะเป็นเดินยืนนัง่งนอนก็ตามจะเห็นทั้งตัวเป็นโครงกระดูกขาวขึ้นมาทันทีสำหรับผู้ที่ยังเห็นกายเป็นศพแบบโครงกระดูกและชิ้นกระดูกต่างๆไม่ชัดเมื่อทำโอทาตะกศินแล้วก็จะได้ทั้งความตั้งมั่นแข็งแรงของจิตและได้ทั้งความสามารถในการเลือกรู้ย่านสีดีขึ้นทั้งนี้ผู้ภาวนาย่อมทราบเองว่าการเห็นนิมิต กระดูกขาวมิใช่เพียงจินตนาการแต่เป็นความเห็นประจักษ์สำหรับโอธาตะกะสินเป็นเพียงสื่อให้นำจิตรู้สีกระดูกตามจริงง่ายขึ้นเท่านั้นสรุปปัจจัยสำคัญที่เกื้อกูลต่อมรักผลมีสองสามประการหนึ่งคือความรู้สึกตนเองว่าไร้ค่าสองคือมีสติและสมาธิดีสคือมีปัญญาเห็นกายในใจขออภัยค่ะ มีปัญญาเห็นกายใจโดยความไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนบางคนแม้มีสติสมาธิปัญญาเลิศเลอเห็นความเกิดดับนับครั้งนถทวนแต่ก็กลับแปลตัวเป็นมานะรู้สึกอยู่ลึกๆตลอดเวลาว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นคุมทธสูงเหนือใครต่อใครการฝึกนวสี วัติกาปรับอยู่เสมอๆจะกำจัดความหลงตรงนี้ได้เรียกว่าทำให้เกิดปัจจัยเกื้อกูลต่อมรรคผลครบถ้วนทีเดียวเมื่อกำเนินเห็นกายโดยความเป็นศพระยะหนึ่งกระทั่งจิตยัยงรู้ซึ้งขึ้นก็จะเข้าใจกายอย่างดีว่ามีสภาพพื้นฐานที่จะเป็นศพอยู่จริงๆต้องมีความเป็นเปื่อยยุย่ยผุพังมาลายกลายเป็นเท่าเป็น พัฒสมัธุรีแน่ๆหาใช่เพียงนิมิตลวงที่เราสร้างขึ้นเองแต่อย่างใดความรู้ที่อย่างลงไปในความเป็นกายปัจจุบันนี้ไม่อุบต่างจากศพวันหนึ่งต้องเป็นศพจะทำหน้าที่บัทฑรความถือดีมีมาณะลงอย่างชนิดสะเทือนถึงรากอุปทานในอัตตาซึ่งในที่สุดก็จะเป็นฐานต่อ ย, ยอด ให้การพิจารณานามธรรมขั้นสูงสูงสะดวกราบรื่นต่อไปบทที่สิบเวทนานุปัสสนาอุทธพธุทธดกระพิสุทธ์ทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวิไนนี้เสวยสุขเ ว, นวท น, เวนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเสวยอัตุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอัตุขขมสุขเวทนาเสวยสุขเวทนามีอมิตร ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิธหรือเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิธก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิธเสวยทุกขเวทนามีอามิธก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนามีอามิธหรือเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิธก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิธเสวยอัตุคมาสุขเวทนามีอามิธก็รู้ชัดว่า เราเสวยอะทุกขมสุขเวทนามีอาม i t h หรือเสวยอัทุกขมสุกเวทนาไม่มีอาม i t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอัทุกขมสุกเวทนาไม่มีอาม i t h ดังพัฒนามาชนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา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 คือเข้าไปตั้งสติว่าเวทนามีก็เพียงสักแตว่ารู้สักเตว่าเอาไว้อาศัยระลึกถึงเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกโดูกรพิสุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลพิสุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เสมอ เมื่อผ่านหมวดกายานุปัสสนามาอย่างสมบูรณ์หรือครึ่งหนึ่งหรืออย่างน้อยที่สุดบับเดียวเช่นอานาปานาบับสิ่งที่เป็นผลอันคาดหวังได้ยากมากคือความปล่อยวางกายผลที่คาดหวังได้เป็นอย่างน้อยคือเริ่มมีสติรู้เข้ามาในขอบเขตของกายบ้างแล้วมาหาสติปัฏฐานสูตรมีไว้เกี่ยบผมในกาออกเป็นขั้นๆ้นเป้าหมายคือพ้นทุก นโยบายหลักคือเห็นกายใจเป็นไตรลักษณ์ผ่านมาถึงขั้นนี้ก็เท่ากับพ้นทุกข์เพราะกายได้แล้วระดับหนึ่งกล่าวคือสำหรับผู้เพียรฝึกเต็มอัตราก็จะพบว่าปฏิโกณมณสิการบับทํทำให้จิตถอยห่างจากความยินดีในกายธาดมณสิการบับทํทำให้จิตถอนจากความยึดมั่นถือมั่นกายนี้เป็นตัวตน นาวสีวัตถิกาบัพทำให้ความรู้สึกว่ามีเราอยู่ยั้งยืนยงหดหายสลายเลือนแม้กระนั้นเมื่อสำรวจเข้ามาจริงจงจังๆ จ, จ, จ, จะพบว่ายังรู้สึกมีเราอยู่นั่นแสดงให้เห็นว่าจิตไม่ได้จับยึดเพียงกายแต่ยังฝังใจลึกลงมาในระดับความรู้สึกนึกคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความหลงเข้าใจว่าจิตเป็นตัวตนแท้จริงของเรานั้นคือด่านสำคัญที่สุดให้ต้องละวางให้ได้ละได้เด็ดขาดเมื่อใดก็เรียกว่าชำแรกผ่านความไม่รู้ขั้นสุดยอดสำเร็จเมื่อว่าถึงเรื่องการตั้งสติเฝ้าดูใจอันเป็นนามธรรมต้องนับว่ายากกว่ากายเพราะถ้าเป็นกายนั้น เราสามารถแยกแยะได้แจ่มชัดขณะนี้กำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าหากปรารถนาที่ตั้งของสติพึงละลึกเหมือนถามตนเองอย่างต่อเนื่องว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าอยู่ก็นับว่าเริ่มได้กลายเป็นฐานที่มั่นอย่างถูกต้องแล้วแต่ถ้าเอาสติมารู้ความเป็นจิตในใจเราแง่ไหนมุมใด ของจิตใจที่ควรจะยกมาเป็นฐานแรกของสติตรงนี้ไม่ใช่วิสัยที่ใครจะบอกได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีความสามารถในการทำของลึกให้ตื้นทำของยากให้ง่ายกับทั้งวางลำดับปฏิบัติไล่จากต้นไปหาปลายได้เหมือนกับบันไดเป็นขั้นๆแก่ผู้ที่ต้องการขึ้นถึงยอดเขาโดยไม่ต้องป่ายปีนเอง ไม่ต้องเล็งหามุงสะดวกแบกบเสียงดาวว่าถูกหรือผิดนมามธรรมในเราที่พระผู้มีพระภาคตรัสแนะให้ดูเข้ามาเพื่อแกะความยึดมั่นถือมั่นเป็นชั้นแรกนั้นก็คือเวทนาอันเป็นที่มาของเวทนานุปัสนาหมายถึงการเฝ้ารู้เฝอาพิจารณาเวทนาโดยสักแต่เป็นภาวะเกิดดับไม่เที่ยงไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา เมื่อศึกษาอย่างดีจะพบว่าถ้าดูเป็นแล้วเราอาจจะใช้เวทนานุปัสนาเป็นบันไดขั้นต่อไปจากกายานุปัสนาก็ได้หรือเป็นจุดเริ่มต้นสติปัฏฐานสีก็ได้หรือจะรู้ควบคู่กันกับหมวดอื่นๆของสติปัฏฐานสีก็ได้เพราะทุกหมวดและทุกบับของมหาสติปัฏฐานสูตรก็กล่าวถึงขั้นถึงการตั้งสติรู้อยู่ในขอบเขตของกายนี้ เหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นนิยามของอมิตรและเวทนาอมิตรคือเครื่องล่อใจหรือเหยื่อโดยทั่วไปมักพูดรวมเป็นเหยื่อล่อใจเหยื่อล่อดเฉยๆตามคําเปรียบของพระพุทธองค์ในนิวาประสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สี่ว่าพราหมณ์ย่อมลอ่อฝูงเนื้อด้วยเหยื่อเช่นปลูกหญ้าลอใจ มิได้คิดสงเคราะห์หรือทำบุญทำทานแต่อย่างใดเพราะฝูงเนื้อกินหญ้าอย่างเมามันก็ลืมตัวจะกระทำสิ่งใดกับฝูงเนื้อย่อมสะดวกบางครั้งจะใช้คำว่าโลกามิตรโลบวกอามิตรแทนคำว่าอามิตรเฉยๆเพราะจะมุ่งหมายถึงกรารมคุณห้าให้ชัดเจน คือกล่าวว่ารูปเสียงเกล่นรสสัมผัสล้วนเป็นเหยื่อล่อให้จิตติดหลงและเวียนว่าอยู่ในวังวนทุกข์ไม่สิ้นสุดพระพุทธองค์ทรงเปรียบผู้ไม่ติดเหยื่อล่อว่าย่อมพ้นจากการถูกล้อมจับได้ส่วนเวทนาคือความเสวยอารมณ์หรือพูดให้ง่ายเป็นภาษาชาวบ้านคือความรู้สึกนั่นเองไทยเราเอาคำว่าเวทนา มาใช้ในความหมายว่าเจ็บปวดบ้างสงสารบ้างขอให้เข้าใจว่าต่อไปนี้หากเขียนเวทนาคําเดียวก็จะหมายถึงความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดระหว่างสุขทุกข์และเฉยตัวเวทนาในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นเราต้องมองว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานชนิดหนึ่งที่แสดงความไม่เที่ยงได้กล่าวคือลักษณะหนึ่ง ที่แน่นอนของเวทนาคือเกิดแล้วต้องดับความที่เกิดแล้วต้องดับนั้นไม่มีอะไรมาพรากแบ่งออกไปจากความเป็นเวทนาได้สภาพของเวทนาและสภาพความเกิดดับได้รวมอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวและเวทนาก็ดีกว่ า, านิดนึงตรงที่เราเห็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องเกิดดับได้เร็วกว่ามากเวทนาจะเกิดขึ้น โดยเหตุปัจจัยใดก็ตามในที่สุดก็ต้องปรับไปโดยอายุไขของมันเองไม่มีใครบังคับให้อยู่ยั้งยืนยงแล้วก็ไม่มีใครทำให้หายไปก่อนที่จะหมดแรงส่งของเวทนาหนึ่งฉะนั้นทั้งหมดที่เราจะต้องฝึกคือรู้เวทนาอย่างถูกต้องไม่ใช่พยายามสร้างตกแต่งดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่พร้อมแล้วนั้นหากไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัตินั้น ลักษณะแบบไหนเรียกว่าสุขทุกข์หรือเฉยเพราะส่วนใหญ่ความรู้สึกจะใกล้เคียงกันหรือกล้ามปนคละเคล้ากันยากที่จะจำแนกขอให้นึกถึงลักษณะสบายแทนสุขเวทนาลักษณะไม่สบายแทนทุกขเวทนาและลักษณะแช่เฉยแทนอทุกขมาสุขเวทนาส่วนความรู้สึกที่ซ่อน ปรบปนรัคนกันมากนั้นก็อย่าเพิ่งมาคำหนึ่งเพราะรังแต่จะก่อความลังเลสงสยัยมากกว่าเกิดสติรู้เฝ้าดูเวทนาสักแต่ว่าเป็นของเกิดดับในเวทนานุปษษัสนาจะยึดเวทนาสามเป็นหลักเป็นตัวเวทนาเองอยังถูกมองได้อีกหลายแง่ถ้าเข้าใจให้ดีก็จะเป็นประโยชน์กับการตั้งมุมมองเฝ้าสังเกตเมื่อลงมือปฏิบัติจริง ปริยายทั้งหมดของเวทนานั้นพระพุทธองค์แสดงไว้แล้วในอัฏฐะัตปาปริยายสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิโดกรรารพิสูจน์ทั้งหลายก็เวทนาสองเป็นฉไนเวทนาสองก็คือเวทนาทางกายเวทนาทางใจก็เวทนาสามเป็นฉไนเวทนาสามคือสุขเวทนาความรู้สึกเป็นสุข ทุกขเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยเฉยกเวทนาห้าเป็นไนเวทนาห้าคือสุขขินสีความสบายทางกายทุกขินสีความไม่สบายทางกายสมนัติสินสความสบายทางใจโทมนัตสิน 4, สี ความไม่สบายทางใจอุเบกขาขอภัยค่ะอุเบกขินสีความเฉยก้เวทนาหกนั้นเป็นไนเวทนาหกคือจกักขุสัมผัสสัชาวเวทนาเวท น, นาอันเกิดจากผัสสะทางตาโสตสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาอันเกิดจากผัสสะทางหู การนสัมผัสส mo ัชาเวทนาเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสสัชาวเวทนาเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางกายมโนุสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาอันเกิดจากภาษะทางใจก็เวทนาสิบแปดเป็นไน เวทนา18คือเวทนาที่ประกอบพร้อมด้วยสมณัติหเวทนาที่ประกอบพร้อมด้วยโทมนัตหเวทนาที่ประกอบพร้อมด้วยอุเบกขาหคือเวทนา6ที่ซอยแบ่งด้วยสุขทุกข์และเฉยก็เวทนา36เป็นไนเวทนา36คือสมนัติประกอบด้วยเหยื่อล่อทางโลกห สมนัตประกอบด้วยความปลอดโปร่งทางกาม6โทมนัติประกอบด้วยเหยื่อล่อทางโลก6โทมนัติประกอบด้วยความปลอดโปร่งจากกาม6อุเบกขาประกอบด้วยเหยื่อล่อทางโลก6อุเบกขาประกอบด้วยความปลอดโปร่งจากกาม6คือเวทนา6ที่ซอยแบ่งด้วยโสมนัตโทมนัตและอุเบกขา อันประกอบหรือไม่ประกอบด้วยเหยื่อล่อก็เวทนาร้อยแเป็นชะไหนเวทนาร้อคือเวทนาที่เป็นอดีต36เวทนาที่เป็นอนาคต36เวทนาที่เป็นปัจจุบัน36คือเวทนา36มสิจำแนกด้วยการเห็นความเคลื่อนเห็นความคลี่คลายของเวทนาอันเกิด ว่าผ่านมาแล้วกําลังสวยอยู่หรือยังมาไม่ถึงขอให้สังเกตว่าพระพุทธองค์ทรงเลือกเวทนาสามมาเป็นหลักตั้งของสติทั้งนี้ก็เพราะถ้าจับจากเวทนาสามนั้นจะเข้าใจง่ายเอาไปใช้ปฏิบัติได้จริงเพราะจะสังเกตว่าเวทนามาจากไหนแบ่งซอยย่อยออกมาเป็นพิสดารเพียงใดก็วนเวียนอยู่ในกรอบของสุขทุกข์ และเฉยเท่านั้นยังไรก็ตามถ้าทราบเวทนาร้อยแปดยงเข้าอกเข้าใจไม่ใช่ในลักษณะท่องจำก็จะเห็นว่าเวทนาคือเวทนานั่นแหละแต่ถ้าเราอธิบายตัวเองหรือใครที่ที่สงสัยให้กระจ่างการรู้ละเอียดจะทำลายความสงสัยได้ทุกแง่ทุกมุมเช่นเวทนามาจากไหนบ้างเมื่อเห็นเวทนาเกิดดับเป็นชุดๆด จึงมีการเข้ามาเกี่ยวข้องจะเข้าขายเรียกนิยามตามพระพุทธองค์บัญญัติไว้ว่าอย่างไรนอกจากนี้การตระหนักชัดว่าเวทนาจำแนกได้เป็นมุมมองต่างๆก็จะสามารถทำให้วางแนวทางปฏิบัติแบบเป็นขั้นตอนได้ง่ายขึ้นกับทั้งยังเชื่อมโยงการปฏิบัติขั้นสูงยิ่งขึ้นดังจะได้เห็นต่อไปในหมวดธรรมานุปัสสนา ความเข้าใจที่ถี่ถ้วนตรงกันก็จะไม่ทำให้ต้องถูกเทียงเพราะสำคัญไว้ผิดทรงจำไว้จำกัดจำเคลียดดังที่ปรากฏกรณีถูกเทียงระหว่างช่างไม้ปัญจ ก, กังคะกับพระอุทายีในปัญจ ก, กังคสูตร พระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบคือพระอุทายีกล่าวว่าพระพุทธองค์แสดงเวทนาไว้สามชนิดคือสุขทุกข์และเฉยในจ่างปันจะ ก, กังคะเทียงหัวชนฟ้าว่าไม่ใช่พระพุทธองค์ตรัสเวทนาไว้เตียงสองชนิดคือสุขและทุกข์เท่านั้นสำหรับความรู้สึกเฉยเฉยนั้นเขาเดาวเอาเองว่าเป็นธรรมละเอียดเป็นสุขอันประนี พระพุทธองค์ทรงทราบกรณีระหว่างในช่างปัญจกังคะกับพระอุทายีจากพระอนุนท่านก็ตรัสว่าดูกระอาณนโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาสองก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาสามก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาห้าก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาหกก็มี โดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนา18ก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนา36ก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนา108ก็มีดูกระอานนท์คำอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจะไม่พากันให้ความสำคัญไม่พากันทําความเข้าใจไม่พากันยินดีซึ่งคาที่เรากล่าวไว้อย่างดี บอกไว้อย่างดีแล้วชนเหล่านั้นจะเกิดความบาดหมางกันเกิดความทะเลาะกันวิวาทกันจะทิ่นแทงกันและกันด้วยหอกคือปากดูกร ะ, ระอานนท์ทำอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้แลชนเหล่าใดจะให้ความสำคัญพากันทำความเข้าใจพากันพร้อมยินดีที่จะยินดีซึ่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างดีบอกไ่าอย่างดีแล้ว ชนเหล่านั้นจะสามาคีกันเช่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเป็นดุดน้ําเจือด้วยน้ํำนมมองกันและกันด้วยจัตสุอันเปี่ยมด้วยรักอยู่นี่น่าจะเป็นกรณีศึกษาสําหรับยุคเรานี้ด้วยถ้าหากไม่เข้าใจพระพุทธพจน์ถี่ท่วนมองไม่เห็นซึง้งถึงพระพุทธประสงค์ในการตรัดสอนแต่ละสิ่งว่ามุ่งสู่จุดหมายใด ก็จะทินแทนกันและกันด้วยหอกคือปากเหมือนอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาและจะไม่มีต่อไปในอนาคตสมัยของเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ศึกษาพุ ท, พทธพจน์ได้อย่างทั่วถึงก็น่าถือโอกาสอันดีที่จะหลีกเลี่ยงการไม่ลงรอยกันได้คราวนี้กล่าวถึงสิ่งที่นักภาวนามักสงสัยลังเลกันคือคาว่าอาิตนั้น หมายถึงสิ่งใดขอยกเอาเนื้อความในสราญตนะวิพังคสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มหกมาแสดงประกอบเป็นส่วนๆความตอนหนึ่งซึ่งสอดคล้องกันกับการสวยสุขเวทนามีอมิตรได้กแก่โสมนัตอาศัยเรือนเป็นไฉนเมื่อบุคคลเห็นรูปร่างทันตาอันเป็นเหยื่อล่อทางโลกได้ดังปรารถนาเพราะเป็นสิ่งที่ตนเห็นได้ หรือหัวนลึกถึงรูปทางตาอันเป็นเยื่อล่อทางโลกที่เคยได้เห็นในทางการก่อนอันล่วงเลยไปแล้วดับไปแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วจึงเกิดสมนัสขึ้นสมนัสชนิดนี้ที่เราตถาคดเรียกว่าสมนัสอาศัยเรือนสรุปคือถ้าใครได้เสพในสิ่งหนึ่งที่ชอบได้อย่างใจ ก็มีลักษณะเป็นเยื่อล่อแบบโลกๆไม่ว่าทางหูทางตาจมูกลิ้นกายหรือใจก็เรียกว่าได้เสวยสุขเวทนาประกอบด้วยอามิตร